ที่สามารถดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการดับชั่วคราวก็ตามแต่ก็ดีกว่าวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นการดับที่แท้จริงเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้น การดับความทุกข์ด้วยการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่เราไม่ต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมกูกเว้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสพธภ ไม่ต้องใช้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเพียงแต่ใช้สติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจพอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ ความอยากที่จะให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะพักชั่วคราวพอความอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พักตัวลงความทุกข์ก็จะดับไปใจที่พุ่งซ่านก็จะกลับเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความเป็นปกติใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิมาถ้ากลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้มีความไม่สบายใจถ้าคิดด้วยปัญญาคิดว่าเมื่อกี้นี้เรา อยูได้สมาธิเรื่องต่างๆเรื่องที่เราพู่นวายใจด้วยเขาก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเวลาที่เราไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเขาเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็าแล้วกันปล่อยเขาไป เขาจะเป็นอย่างไรก็รปล่อยเขาเป็นไปเพราะเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราไม่มีเขาเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสงบเราใช้ความสงบเป็นที่พึ่งของเราดีกว่าเราอย่าไปพึ่งอะไรต่าง เพราะบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้เวลาพึ่งไม่ได้ก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะอยากจะให้เขาเป็นที่พึ่งของเราต่อไปแต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นได้ ถ้าเราเข้าสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เขาจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องพึ่งเขาถ้าเราสามารถที่จะรักษาใจให้สงบอยู่ตลอดเวลาทั้งในขณะที่เข้าไปในสมาธิและออกมาจากสมาธิ เราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรต่อไปใจพึ่งตนเองได้ใจอยู่ตามลำพังของตนเองได้ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเพราะใจสามารถผลิตความสุขขึ้นมาเองได้เหมือนกับถ้าเรามีเครื่องฝันไฟฟ้า อยู่ในบ้านเราถ้าไฟฟ้าที่เราใช้จากโรงไฟฟ้าดับไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟฟ้าที่เราสามารถใช้ปั่นไฟทดแทนไฟฟ้าจากโรงได้ควาสมสงบก็เป็น สิ่งที่เราสามารถใช้เป็นการให้ความสุขกับเราได้เวลาที่เราไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งต่างๆได้เราก็จะไม่เดือดร้อนการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมาก เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆอีกต่อไปถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆได้ใจก็จะสงบได้ใจสงบแล้วก็จะสบายพอเราออกจากสมาธิมาเราก็สามารถที่จะสอนใจ ให้คิดไปในทางที่ไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจได้คือไม่ให้คิดไปในทางความอยากไม่ให้คิดไปในการที่จะต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากนี้ก็เป็นตัวที่ต้องการที่พึ่งต่างๆนั่นเองแต่พอได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงแล้ว ก็สามารถที่จะหยุดความอยากที่จะต้องการให้มีที่เพิ่มจากสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องเพิ่มสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่มีวันที่จะต้องดับไปหมดไป แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมบังครับให้เขาเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลาถ้าไป่ากความสุขไว้กับสิ่งต่างๆเวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาดับไปเราก็จะเดือดร้อนนี่คือปัญญาที่เราต้องเอามาใช้กับความคิดของเรา เวลาที่เราอยากจะไปเพิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปพเ พ, พึ่งเพราะเพิ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องผิดหวังจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่เราหวังจะไปเพิ่งนั้นเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปอย่าไปเพิ่งดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่า ความสงบให้ความสุขกับเราได้มากกว่าและดีกว่าและถาวรกว่าเพราะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราก็อยู่ไปตลอดเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆเราเป็นใจใจนี้เป็นสิ่งที่ ไม่มีวันศูนย์ไม่มีวันสลายแต่ใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดและความคิดนี่เองที่ทำให้ใจสุขหรือใจทุกข์ถ้ารู้ถ้าเรารู้จักสอนใจให้คิดไปในทาง สร้างความสุขใจก็จะมีแต่ความสุขถ้าเรารู้จักวิธีหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางสร้างความทุกข์ใจก็จะไม่มีความทุกข์แล้วสิ่งที่จะควบคุมใจได้เนเบื้องต้นก็คือสติสตินี้สามารถหยุดความคิดตรุงแต่งได้ ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใจก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องราวต่างๆได้เช่นถ้าเราใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือ เวลานั่งสมาธิจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ก็จะสามารถที่จะทำให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่เราต้องเฝ้าดูลมอย่างต่อเนื่องทุกขณะเวลาลมเข้าก็รู้เวลาลมออกก็รู้ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องไปทำอะไร เหมือนกับเราดูฝนฝนตกเราก็รู้ว่าฝนตกฝนหยุดเราก็รู้ว่าฝนหยุดเราไม่ต้องไปจัดการกับฝนทําให้ฝนหยุดหมือทาให้ฝนไม่หยุดดูลมก็ให้ดูเฉยๆดูเพื่อที่จะได้มีอะไรเกาะไว้เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือบริกรรมพุโทโธแต่การที่เราจะมีสตินั้นเราต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เราตื่นเพราะว่าถ้าเราไม่เจริญใจของเราก็จะไม่มีเครื่องควบคุมความคิดก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยเวลานั่งสมาธิก็จะไม่สามารถ ทำใจให้หยุดคิดได้เพราะกําลังสติมีไม่มากพอถ้าจะมาเจริญในขณะที่นั่งสมาธินี้จะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความคิดได้ไม่สามารถที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบให้มีความสุขได้มีแต่จะรู้สึกอึดอัดลำคาญใจเพราะว่า ความอยากมันไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะถูกบังคับอยากจะคิดอยากจะลุกขึ้นไปทาอะไรต่างๆดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มีกำลังเราก็ต้องเจริญบ่อยๆเจริญให้อย่างต่อเนื่อง จะริ่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยก่อนที่จะลุกขึ้นไปทำอะไรให้จเจริญสติก่อนถ้าใช้การบริกรรมพุทธโธก็ตั้งสติไว้ว่าต่อไปนี้เราจะบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆทั้งวันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าการกระทำนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุทธโธไป ถ้ามีการกระทำที่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาบริกรรมพุทธโธใหม่อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าเราบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเ น, นื่องจนไม่มีความคิดเราจะหยุดบริกรรมก็ได้ให้อยู่กับ ความรู้ให้อยู่กับผู้รู้ให้รู้ดูให้ผู้รู้ดูเฝ้าว่าตอนนี้มีความคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีความคิดก็ไม่ต้องบริกรรมพุทธโธก็ได้แต่พอเกิดมีความคิดขึ้นมาก็บริกรรมพุทธโธต่อไปเพราะความคิดส่วนใหญ่ของเรามันจะคิดไปแบบ สร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นเหมือนกับการจุดไฟกองเล็กๆความคิดเวลาคิดเริ่มแรกมันจะยังไม่เป็นไฟมันยังไม่เป็นกองทุกกองใหญ่แต่ถ้าปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นกองทุกข์ขึ้นมาได้เหมือนกับไฟถ้าเราจุดขึ้นมาตอนต้นมันจะไม่เป็นไฟใหญ่ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันไหมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะขยายตัวมันก็จะกลายเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาได้่างนั้นถ้าเราจะเจริอนสติเราจะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเราคิดเราก็หยุดมันด้วยพุโทโธ หรือเราจะใช้ร่างกายก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้พุทธโธเราก็ใช้การเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาเวลาร่างกายทําอะไรเราก็รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการกระทําของร่างกายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติรูปแบบหนึ่ง ซึงแต่ละท่านก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะกับตนบางท่านก็ชอบบริกรรมพุทโธบางท่านก็ชอบเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ใช้ได้เหมือนกันเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจคิดปุงแต่งให้ลืมทุกอย่างไปหมดให้อยู่ในปัจจุบันให้ลืมอดีตให้ลืมอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้ามีสติมีกำลังแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะไม่คิดตุ่แต่งจะอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าใช้พุทธโธก็จะอยู่กับพุทธโธไปจนในที่สุดจิตก็จะรวมลงหรือถ้าใช้ลมหายใจใจก็จะสงบ เวลาดูลมนี้ถ้าลมมีความละเอียดก็ให้รู้ว่าลมละเอียดถ้าละเอียดจนไม่สามารถที่จะเห็นลมได้ท่านก็บอกว่าให้ดูผู้ที่เห็นลมนั้นคือให้ดูให้อยู่กับผู้รู้ให้รู้เฉยๆให้สัจจะว่ารู้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมรู้ว่าตอนนี้มีแต่ความว่าง ให้ดูไปอย่างนั้นให้คอยดูว่ามีความคิดแทรกเข้ามาโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีความคิดโผล่ขึ้นมาก็ใช้สติใช้ผู้รู้นี้หยุดความคิดมันได้ถ้าผู้รู้ถ้าสติอยู่กับผู้รู้เวลาเกิดความคิดตรงมแต่งจะรู้และจะหยุดความคิดตรงมแต่งได้ไม่ต้องกังวลว่า ไม่มีลมหายใจแล้วร่างกายจะตายเพราะว่าร่างกายยังอยู่ตราบใดที่ยังมีผู้รู้มีสติรับรู้อยู่นี้ร่างกายจะไม่ตายร่างกายลมของร่างกายละเอียดจนไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เท่านั้นเองถ้านั่งไปแบบนี้แล้ว แล้วก็ไม่คาดว่าจะสงบเมื่อไหร่จะสงบอย่างไรนั่งไปดูไปเฉยๆแล้วเวลามันจะสงบมันก็จะสงบอย่างที่เราไม่ได้าคาดฝันอยู่มันก็วุบลงไปแล้วมันก็นิ่งสบายตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆ ให้อยู่ในอบเบกขาไปเรื่อยๆให้อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะถอยออกมาถอยออกมาสู่ความคิดปรงแต่งถ้าถอยออกมาแล้วถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็ให้พิจารณาใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรา มีความทุกข์ด้วยเราทุกข์กับเรื่องอะไรเราพิจารณาเรื่องนั้นให้เห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เขาทำให้เราทุกข์เพราะเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเขาเป็นนิจจังเป็นอนัตตาเป็นนิจจังก็คือเขาจะเป็นเหมือนเดิมเป็นอย่างเดิม ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นอนัตตาคือให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขามีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมมีการดับไปเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ เวลาเขาไปเขาเปลี่ยนไปเขาเสื่อมไปเขาดับไปเราห้ามเขาไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์แลวเราต้องมาฝึกสอนใจให้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้และสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในอนาคตก็อย่าไปอยากเพราะ มันจะไม่ได้ให้ความสุขอย่างที่เราคิดมันจะมีความทุกข์แถมมาด้วยและเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความสุขที่เราได้รับได้ไม่คุ้มเสียเราไม่ต้องมีอะไรเราก็อยู่ได้ถ้าเรามีความสงบดันันให้เราอยู่กับความสงบดีกว่าเราจะไม่เจ็บตัว ถ้าไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวจะถูกเขากัดเอาเขากัดเพราะเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนไปเขาเคยรักเคยดีกับเราวันดีคนดีเขาก็เปลี่ยนเป็นร้ายกับเราก็ได้เราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะเปลี่ยนเวลาเขาจะเป็นอะไรไปนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุด ความผูกพันหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆให้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกท่านไม่มีอะไรท่านไม่ต้องใช้อะไรให้ความสุขกับท่านท่านมีความสุขอยู่ภายในใจมีปรมังสุขขังที่เกิดจากการ เจริญสติสมาธิปัญญาทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี่แหละคือ ของจริงของแท้ของที่จะเรียกว่าเป็นของเราก็ได้ของที่เราจะเรียกว่าเป็นของถาวรก็ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอรหันต์นี้มันเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปมันเป็นความสุขที่อยู่กับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นกับพวกเราถ้าเราปฏิบัติเราทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำ ความสงบนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะไม่มีใครจะทำให้กับเราได้การที่เราจะทำความสงบนี้ให้เกิดขึ้นได้เราก็ต้องหยุดการกระทำอย่างอื่นไปให้หมดเพราะมันเป็นการกระทำที่สวนทางมันจะดึงเอาเวลาดึงเอาความเพียนของเราไป แล้วพอเราจะมาทำความเพียรกับการทำความสงกเราก็ไม่มีความเพียรพอที่จะทำได้เพราะเราโมแต่ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เราจะได้จากการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาแต่ถ้าเรายังมี ความผูกพันหรือมีพันธะกรณีที่เรายังปลดปพื้งไม่ได้ก็ทำให้น้อยที่สุดทำเท่าที่จำเป็นแล้วก็หันมาทำงานที่จะทำให้เราได้ดับความทุกข์และได้พบกับความสุขที่ถาวรต่อไปจะดีกว่าคือมาปลิดที่เวก การเจริญสติสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากจากเรื่องราวต่างๆจากรูปเสียงเห็นรสผลพัทธะที่จะคอยมาขัดขวางการเจริญสติสมาธิปัญญานี้เองไปอยู่คนเดียวอยู่ในสารที่ไม่มีแสงสีเสียง ไม่มีเรื่องราวถ้าเป็นไปได้ก็ปิดเครื่องมือสื่อสารเสียเปิดเฉพาะเป็นเวลาที่จาเป็นหากยังมีความจาเป็นมีภาระมีพันธะกรณีที่จะต้องติดตามแต่ถ้าไม่มีได้ก็จะดีเพราะเวลาเปิดเครื่องสื่อสารแล้ว เดี๋ยวรับเรื่องที่ไม่ถูกใจเข้ามาก็จะทำให้ใจฟุ้งใจเครียดใจทุกข์ขึ้นมาได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบหรือเป็นสิ่งที่จะมาทำลายความสงบที่เราได้เจริญอยู่สมัยที่ไปอยู่กับหลวงตาสมัยก่อนนั้น ทั้งห้ามหมดของต่างๆที่จะเข้ามารบกวนใจหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สมัยก่อนก็มีเท่านั้นวิทโทรศัพท์มือถือไม่มีเหมือนอย่างสมัยนี้การเข้าติดต่อสื่อสารด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆก็ไม่มีก็ห้ามเพียงส่วนสิ่งที่มี หนังสือพิม์นี้ท่านถ้าดูถ้าอ่านแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความฟุ้งได้เกิดความวิตกกังวลกับข่าวสารที่ได้รับรู้ได้ฟังวิทยุก็เช่นเดียวกันท่านดูทีวีก็เหมือนกันท่านจึงห้ามไม่ให้มีว่าท่านจึงไม่ให้มีไฟฟ้าใช้เพราะถ้ามีไฟฟ้าใช้แล้วเดี๋ยว ก็จะมีคนแอบเอาทีวีเข้าไปเปิดดูได้เอาวิทยุแอบเข้าไปเปิดฟังได้ท่านจึงต้องเดินตรวจวัดอยู่ทุกคืนทุกวันเพื่อคอยดูว่ามีอะไรแปลกอรอมเข้ามาทำลายหัวใจของพระปฏิบัติหรือไม่นี่แหละความสำคัญของการปิดวิเวก ของการปิดทวารทั้งห้าไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะทวารทั้งห้านี้มันเป็นทางเดินเข้าออกของข้าศึกศัตรูคือตัณหาความอยากต่างๆถ้าเราต้องไปคอยดักอยู่ทั้งห้าหกทางเข้าออกนี้เราจะเหนื่อยจะวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหว เราจึงต้องปิดทวารทั้งห้าเสียแล้วเปิดเหลือไว้เพียงทวารเดียวก็คือใจทวารทั้งห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนทวารที่หกก็คือใจความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางตัณหาก็เป็นทางออกของกิเลสตัณหาแล้ว ถ้าเราปิดทวารทั้งห้าได้ด้วยการไปปิดเวิเว่เช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่ไม่มีแสงสีเสียงรูปเสียงเกิื่อนรดพลทัพทะของป่าเขานี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะจะไม่เป็นสิ่งที่กิเลสตันหาชอบหรืออยากจะออกไปสัมผัสรับรู้ก็เหลือแต่ใจทท้งนั้นที่ยัง เป็นทางออกของปัญหาความอยากอยู่ความคิดปรุงแต่งก็จะคิดไปในทางความอยากพอคิดแล้วถ้าไม่มไม่สามารถดับได้ก็อาจจะพาให้ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากฉะนั้นทวารที่หกนี้เราก็ต้องใช้สติเป็นตัวคอยปิดกั้น้อย คอยหยุดความคิดปุงแต่งอเพื่อไม่ให้ไปคิดไปตามความอยากต่างๆเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นผลของความอยากก็คือความทุกข์ให้เห็นสิ่งที่ใจอยากไปได้อยากไปรับรู้อยากจะไปเกี่ยวข้อง ก็ไม่สามารถให้ความสุขอย่างถาวรได้เป็นความสุขชั่วคราวที่จะมีวันหมดไปได้เวลาหมดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นม า, าถ้ามีสติมีปัญญามีสมาธิคืออุเบกขาใจก็จะหยุดความอยากได้ ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็สู้มันไม่ไหวไม่มีกําลังที่จะสู้มันเพราะใจไม่มีอุเบกขาอยู่เฉยๆไม่ได้เพออยู่เฉยๆแล้วมันจะเครียดจังหวดเหตุนำคานใจขึ้นมาเวลา คิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องที่อยากจะทำอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็จะทนสู้ไม่ไหวทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่ว่ามันไม่ดีก็ยังอดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะใจไม่มีความอิ่มไม่มีความสุขที่จะเกิดจากการมีสมาธิมีอุเบกขานี่เองแต่ถ้ามี อุเบกขามีสมาธิมีความสุขมีความอิ่มเพราะปัญญาสอนว่าความอยากนี้เป็นโทษเป็นอันตรายเป็นเหมือนยาพิษก็จะไม่แตะไม่ยุ่งด้วยไม่ทําตามความอยากได้เพราะไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขอยู่ในตัวแล้วสมาธิจึงเป็นธรรมที่สำคัญ เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนปัญญาถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เป็นปัญญาจะเป็นสัญญาเป็นจินตามวยะปัญญาคิดได้คิดว่าปัญหาไม่ดีคิดว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์คิดว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาคิดว่าทุกอย่างจะต้องให้ความทุกข์แต่ก็อดไม่ได้เพราะว่า ไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจก็ต้องไปทำตามความอยากนี่แหละทำทั้งสามนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต่อเนื่องกันทำขั้นแรกก็คือสติมีสติแล้วก็จะสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดสงแต่ง ทำใจให้รวมเข้าสู่ความสงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอมีความสุขมีอุเบกขาก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้เวลาปัญญาสอนบอกใจว่าความอยากนี้เป็นการเดินเข้าหากองทุกเพราะว่าสิ่งที่อยากได้เดี๋ยวก็ต้องจากเราไป ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหรือได้มาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปหรือได้มาแล้วก็หมดความหมายไปเวลาอยากได้อะไรพอได้มาแล้วก็หมดความหมายไปอยากจะได้อย่างอื่นใหม่ทั้งทั้งที่สิ่งที่ได้มาก็ยังใช้ได้ดีอยู่เช่นของใช้ต่างๆ เวลาซื้อมาใหม่ๆก็มีความสุขดี อ, อกดีใจแต่พอเห็นสิ่งที่ออกมาลุ่นล่าสุดก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาใหม่ของเก่าที่ยังดีอยู่ที่เคยให้ความสุขเดี๋ยวนี้ไม่สามารถให้ความสุขได้แล้วเพราะใจไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแล้วไม่ได้อยากกับสิ่งนั้นแล้วอยากกับสิ่งใหม่ต่อไป นี่แหละคือเรื่องของการกระทำตามความอยากจะได้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาทดแทนความอยากเก่าที่ผ่านไปเวลาไม่ได้ตามใจอยากก็จะเครียดก็จะทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้สอนใจอยู่เรื่อยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดอย่าไปยึดอย่าไปติดมีถ้ามีก็ต้องระมัดระวังเหมือนกับหมองูที่เขาจับงูมารีบพิษเพื่อที่จะอามาทำวัคซีนทำซีรั่มเพื่อที่จะรักษาเวลาคนถูกงูกัดก็จะมีซีรั่มไว้รักษาได้ ของพวกนี้ถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะมีไว้ได้ถ้าจําเป็นยังถ้ายังมีความจําเป็นที่จะต้องมีอยู่เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังไม่ไปยึดไปติดพร้อมที่จะให้เขาหมดไปพร้อมที่จะให้เขาจากไปถ้าไม่พร้อมถ้ายังรักยังหวงอยู่เวลาเขา เปลี่ยนไปหรือจากไปก็จะทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับถูกงูกัดนี่คือเรื่องของปัญญาที่ควรจะเจริญหลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธิก็ควรเจริญสติให้มากๆไปก่อนเพื่อให้จิตรวมให้จิตได้ผู้เบกขาได้ความสุขใจ ทำให้มากๆก่อนทำสมาธิให้มากๆก่อนทำให้ชำนาญทำให้จนสามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาต้องการจะทำใจให้สงบเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ใช่ว่ากว่าจะทำใจให้สงบได้นี่เกิดขึ้นคอหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ความสงบเลย อย่างนี้อย่าเพิ่งไปเจริญปัญญาก็ได้จะเจริญก็ได้ไม่ไม่ว่าไม่ห้ามแต่ควรจะเจริญเพื่อระงับความฟุ้งซ่านระงับความวุ่นวายใจเพื่อให้ใจกลับเข้าสู่ความสงบต้องพยายามสร้างฐานของความสงบให้แน่นให้มีพลังก่อนแล้วเวลาเจริญทางปัญญาในระดับ ขั้นมากผลมันก็จะได้ผลขึ้นมาอย่างง่ายดายนี่คือเรื่องของหน้าที่ของพวกเราที่ไม่มีใครจะมาทำให้กับเราได้เหมือนกับตอนที่เราไปเรียนหนังสือเราก็ต้องไปโรงเรียนพ่อแม่ไปเรียนแทนเราไม่ได้ฉนันใด การปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้ากูบาอาจารย์ต่างๆท่านกระบัติปฏิบัติแทนเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเรานอกจากการปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะสุขเราจะทุกข์ก็อยู่ที่การที่เราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ เราจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็อยู่ที่การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ไขท่ท้งนั้นถ้าเราไม่รู้ทางไม่รู้จักวิธีอันนั้นเราก็ต้องพึ่งผู้อื่นได้พึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งครูบาอาจารย์ให้ท่านสอนเราให้ท่านบอกเราวิธีของการปฏิบัติพอเรารู้จักวิธีของการปฏิบัติแล้ว ท่านก็ไม่สามารถทาอะไรให้เรามากไปกว่านั้นได้นอกจากคอยให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆท่านั้นเองคอยเป็นกองเชียร์แต่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ขึ้นเวทีเหมือนกับนักมวยเวลาขึ้นไปในเวทีแล้วโค้ชหรือครูที่คอยสอนวิธีชกนี้ไม่สามารถเข้าไปในเวทีชก แทนเราได้หรือช่วยเราได้เราต้องเป็นผู้ชคคนเดียวดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากใครทางนั้นต้องหวังพึ่งตัวเราเองหวังพึ่งธรรมที่เราจะผลิตขึ้นมาก็คือศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าในคําสอนของครูบาอาจารย์วิริยะความอุตสาหะภาคเรียน เราต้องบังคับตัวเราเองให้ทําความเปียนกําหนดตารางกำหนดเวลาไว้พอถึงเวลาที่จะต้องทาก็ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นทาอย่างเดียวจะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่เป็นไรขอให้ทําไปก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์ดูว่าผิดถูกตรงไหนอย่างไรแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะทาถูกเอง ใหม่ๆก็ต้องลองผิดลองถูกไปก่อนเพราะว่าไม่เคยทํามาแต่พอทําไปเรื่อยๆประกอบกับการได้ยินได้ฟังจากผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จะรู้จักวิธีปรับไปแก้ไปตามลําดับจนในที่สุดก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยํา แ, และได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ท่านจง ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหลายในโลกนี้แม้แต่ชีวิตพระพุทธเจ้าก็บอกให้สละทรงสอนให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อทำทำจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องปฏิบัติดังนั้นเราก็ต้องสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมนี้เอง ถ้าเราสละแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติที่เราไม่มีเวลาเพราะบางทีเราไปโ ว, วยุ่งกับการดูแลรักษาทรัพย์รักษาอวัยวะรักษาชีวิตจนไม่สามารถที่จะมีเวลามาปฏิบัติได้เราก็เลยไม่ได้ผลจากการปฏิบัติคือปรามังสุขขงังนิบานางปรามังสุขขงัง ความสุดที่แท้จริงความสุขที่ถ้าวรจึงขอฝากเรื่องของงการมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสุขละดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลอันดีเลิศที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปการปดิอิธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตยวิวัจจันตสัพพรโวินสตมาเตภวะตวันตรยสุขีทีขายุโกภวอภิวาตนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวทานติ อายุวโนสุขังภาลัง oh. ต่อไปนี้ก็ญาติโยมก็นำเข้าของก็ามาประเคนถวายได้มารับหนังสือซีดีได้วันนี้มีแผ่นที่สิบเอ็ดออกมาแล้วลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการ ถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็เชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่พิธีกรถามคำถามที่ผ่านมาถามผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตสาธุกับหลวงพ่อผมมีทำขอขอคำแนะนำจากหลวงพ่อนะครับ ทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมนั่งเจริญสมาถะภาวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาก็ออมองเรื่องของกายจะมีทุกขางกายมีมีมีความยึดติด ก, กับกาย เ, เป็นตัวเป็นตนจากร่างกายทำให้เกิดความอยากความโลภความหลง แล้วก็ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็พยายามที่จะพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็พยายามวางกายาแยกออกจากใจไม่ทราบว่าการปฏิบัติแบบนี้นะครับถูกต้องไหมแล้วก็จะต้องอทํำยังไงต่อนะครับอาจารย์คือการจะวางกายก็ต้องไม่ใช้ร่างกาย ไม่ใช้ร่างกายไปในการตอบสนองตัญหาความอยากต่างๆถ้าเราอย่งใช้ร่างกายทำตามความอยากอยู่ <c oughs> ก็แสดงว่าเราไม่ได้วางจริงถ้าวางจริงก็ต้องไม่ไม่ใช้ร่างกายนี้ตอบสนองความอยากแล้วก็ไม่ไปมีความทุกข์กับร่างกายถ้าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นแก่ลงไปเกิดการเจ็บไายได้ป่วยหรือเกิดต้องต่ต้งตายขึ้นมาใจจะต้องไม่ไปเดือดร้อนกับร่างกายถึงจะเรียกว่าปล่อยจริงถ้าเพียงแต่พิจารณาเฉยๆนี้มันยังไม่ได้ปล่อยพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยพิจารณาเห็นโทษของการที่เราไปยึดไปติดกับร่างกาย ว่าทำให้เราต้องทุกเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ถ้าเราปล่อยเราไม่ใช้ร่างกายไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายแก่ไปเจ็บหรือตายอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าปล่อยจริงจะปล่อยได้ก็อย่างที่บอกใจต้องมีอุเบกขาใจต้องมีความอิ่มความพอ ถ้ามีความอิ่มความพอก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับถ้าเรารับประทานอาหารเสรยจเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็าาไปงานเลี้ยงนี้ไปถึงงานเลี้ยงจะมีอาหารให้เรารับประทานหรือไม่รับประทานเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารับประทานไปก่อนแล้วเราไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปรับประทานเราอาจะไปเพราะเป็นหน้าที่ต้องไปแสดงความยินดีกับเจ้าภาพ แต่เราไม่อยากที่จะต้องไปวุ่นวายกับการรับประทานอาหารเราก็รับประทานของเราไปก่อนพอไปถึงที่นั่นจะมีอาหารหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไม่ได้รับประทานอาหารไปก่อนตั้งใจจะไปรับประทานที่งานเลี้ยงถ้าเกิดมันอาหารมันน้อยไปหรือว่าไปสายเขากินกันก่อนหมดแล้วก็จะเดือดร้อนขึ้นมา สันใดเราต้องมีความสุขใจก่อนมีสมาธิก่อนแล้วเราก็จะปล่อยสิ่งต่างๆได้เพราะเราอาศัยสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราแต่พอเรามีความสุขอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆต่อไปก็ได้แล้วพอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าการไปอาศัยเขานี่เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะว่าต้องมีวันที่เราอาศัยเขาไม่ได้ แล้ ว, วันนั้นเราจะทุกข์มากถ้าเรายัางต้องอาศัยเขาอยู่นี่คือปัญญาพิจารณาสอนใจให้เห็นว่าการไปเพื่งสิ่งต่างๆนั้นเป็นการเพึ่งที่ไม่ถาวรจะต้องขาดที่เพื่งไปวันใดวันหนึ่งแล้ววันนั้นเราจะเดือดร้อนถ้าเราไม่มีที่เพึ่งในตัวเราเองยั้นเราสู้กลับมาหาที่เพึ่งของเราเองดีกว่าคือความสงบสร้างความสงบแล้วก็อยู่กับความสงบ อย่าไปพึ่งอะไรต่างๆพอสิ่งต่างๆเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเรื่การพิจารณาร่างกายว่าแก่เจ็บตายนี่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นการปล่อยจริงปล่อยจริงต้องหยุดใช้ร่างกายหยุดใช้ตาเวทหาความสุขเช่นเรามีความสุขกับการดูนั่นดูนี่เราก็ต้องหยุดใช้หูฟัง ด้วยความสุขก็เหมือนกันใช้จมูกดมใช้นิ้นสัมผัสกับรถใช้ร่างกายสัมผัสกับความรู้สึกผ่านมาทางร่างกายต่างๆถ้าเรายังใช้อย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าเรายังเพื่งร่างกายอยู่ถ้าเราเพื่งร่างกายเวลาร่างกายไม่สามารถเป็นที่พึ่งเราได้เราก็จะทุกข์ที่เรารู้ว่าเราจะต้องตายนี่หรือเราเป็นอมกพึ่งรมภะพ่กลี่การ ไม่สามารถใช้ร่างกายให้ความสุขกับเราได้ถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราปล่อยถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยยังให้ดูที่ที่ความทุกข์เป็นหลักว่าเราทุกข์กับร่างกายหรือเปล่าถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราปล่อยหลวพ่อครับถ้าเกิดว่าเราสอนใจแบบนี้เป็นประจำนะครับ แล้วก็เ อ, อมันมาค่อยๆค่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาอบรมสมาธิหรือเปล่าครัอาจารย์มันมันมันจะว่าใช้หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันใช้ในเวลาใดถ้าใช้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบมันคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เราใช้ปัญญาหยุดนะ่ ใจให้เราจิตใจของเราไม่ให้ไปยุ่งไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็เรียกว่าปัญญางลงสมาธิอย่าง้าเราพิจารณาแบบทั่วๆไปี้ก็พิจารณาเพื่อละตัณหาความอยากละอุปทานละความหลงที่ยังยึดติดร่างกายคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวที่จะให้เรามีความสุขคือต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยง แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้หมันเที่ยงได้นี่คือเรื่องของปัญญาเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางร่างกายเหมือนกับเราสมมติว่าเรามีคนรับใช้มารับใช้เราทำงานในบ้านเราแต่เราเราไปรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนักเล็กขโมยน้อย และมีประวัติไม่ดีเคยฆ่าคนอื่นมาแล้วฆ่าเจ้านายเมาก่อนแล้วนูนี้เราจะเก็บเข้าไว้ในบ้านเราป่ะนั่นหละกัจฉันใดก็ให้ดูร่างกายแบบนั้นว่ามันมันฆ่าเราแน่ๆนะร่างกายนี้มันมันจะทําให้เราทุกข์แน่ๆเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายกัจะฉะนันอยากไปเอามันถ้าทิ้งมันไม่ได้ ก็อยู่แบบมีเกราะคุ้มกันเขามีมีปืนติดตัวไว้เวลามันโผล่มาก็ต้องคอยจับปืนเนาไว้ปืนของเราก็คือปัญญาอยากไปหลงอยากไปยึดอยากไปติดอย่าไปหวังพึ่งเขาถ้ายังต้องใช้เขาวก็เอาตามมีตามเกิดใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ทําเองก็แล้วกันอ่สาธุครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำนื้นก่อนเนี่ยมันยื่นไปยื่นมามันไกลาทางอินเทอร์เน็ตก่อนทางนี้ไม่ต้องถามหรอกทางนี้ไม่ใช่มีคําถามมีแต่คําตอบต่อไปเป็นคําถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคําถามแรกจากคุณบุตรบรรดาศักดิ์เวลานั่งสมาธิแล้วกายหายไปมีแต่จิตที่รู้จะปฏิบัติอย่างไรต่อคะ เพราะกายหายเวทนาทางกายต่างๆที่เคยมีก็หายไปหมดสิ้นพอนั่งสมาธิทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดพอไปถามพระเขาก็บอกกายไม่หายหรอกแต่ตัวเราเองรู้อยู่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นสองปีก็เลยไม่นั่งสมาธิเลยเพราะมีความรู้สึกว่าจะพิจาจรณาอะไรมีแต่จิตที่ว่างๆ ถามพระที่ไหนก็ตอบไม่ได้แต่โยมเคยฟังธรรมะของหลวงพ่อพุธว่ามีสภาวะแบบนี้อยู่จริงขอพระอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ตอบด้วยค่ะสภาวะนี้เขาเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิเป็นเพระที่เราต้องการให้มีอยู่นานๆเวลาเรานั่งสมาธิเพราะมันจะให้อุเบกขาก็บเราจะให้ความสุดใจอิ่มใจกับเรา เพื่อที่เราจะได้มีปัญญาไปหยุดการพึ่งสิ่งต่างๆต่อไปเวลาจากสมาธิเราก็ต้องมาสอนใจว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องพึ่องอะไรแล้วเพราะว่าเรามีที่พึ่งแล้วมีความสุขแล้วมีความสงบมีความอิ่มแล้วเวลวเราอยากจะดื่มกาแฟแล้วก็อกไม่ต้องดื่มแล้วเวลาเราอยากจะดูทีวีก็ไม่ต้องดูแล้ว เวลาเราอยากจะไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปสังสรรค์กันไม่ต้องไปแล้วเพราะว่ามันสู้ความสงบไม่ได้นี่คือการเอาเอาสมาธิที่เราได้มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการายุติการที่เราจะไปพึ่งถึงต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนี้พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างและในที่สุดก็จะพึ่งไม่ได้ แเวลาพึ่งไม่ได้เราก็จะเดือรเราจะทุกข์ทรมานแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ต้องไม่พึ่งมันเพราะต่อไปร่างกายมันก็จะทําเราก็จะพึ่งมันไม่ได้นับภาษาอะไรกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของเราอย่างพึ่งไม่ได้เราไปพึ่งร่างกายของคนอื่นแล้วพอถึงวันที่เราพึ่งเขาไม่ได้เราจะทําอย่างไรให้คิดอย่างนี้คิดถึงความไม่แน่นอน คิดถึงความเสื่องที่จะต้องตามมาคิดถึงความดับที่จะต้องตามมากับสิ่งต่างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปตกในกองทุกเวลาเกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปให้เรากลับเข้ามาอยู่ในสมาธิอยู่กับความสงบอยู่กับอุเบกขาดีกว่านี่คืองานที่ต้องทําต่อไป เวลานั่งสงบแล้วก็นั่งให้มันสงบนานๆเพราะมันจะเป็นการเติมเติมอหารเติมอุเปกขาเติมความอิ่มให้กับใจพอใจออกมาแล้วเวลาเกิดความอยากก็จะสู้ได้อยากจะดื่มกาแฟวะไม่ดื่มดีกว่าดื่มแล้วมันต้องดื่มไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ่นสุดเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์ให้คิดอย่างนี้สอนใจอย่างนี้เวลาอยากจะไปดูวะไม่ดูดีกว่า เวลาจะไปหาเพื่อนก็ไม่ไปดีกว่าเวลาอยากจะไปทำอะไรก็ไม่ทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่านั่นแหละคืองาที่ต้องทำต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณการเดือนกาจันผมมีอคติกับพระสงฆ์เวลากราบแล้วไม่บริสุทธิ์ใจ เพราะตอนเด็กอยู่กับพระกับเนนบ้านอยู่ใกล้วัดครับเห็นสิ่งไม่มีเยอะครับตอนนี้ทุกใจมากเวลาเห็นพระจะคิดไม่ดีก่อนเลยเป็นบาปมากอย่ากแก้นิสัยครับอยากรกาบพระไหว้พระให้ใจชื้นสักทีขอวิธีแก้ด้วยครับมักจะมีนิทานหรือเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธการ ที่มีพระเจ้าแผ่นดินร่วมหนึ่งท่านกราบควายเพราะควายมันมีผ้าเหลืองติดอยู่ที่เขาล <c oughs> ุงงองถามว่าท่านกราบควายทําไมท่านบอกเราไม่ได้กราบควายเรากราบผ้าเหลืองสัญลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกครั้งที่เรากราล่าวเราไม่ได้กราบคนที่เรากลาวเรากลาบสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์ เพราะเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติส่วนผู้ที่สวนภาาเหลืองนั้นท่านจะดีท่านจะเป็นควายหรือเป็นเปรดหรือเป็นพระอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องแสดงความเคารพต่อต่อสิ่งที่เล่าที่ประเสริฐก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้คิดอย่างนี้ดูในหลวงเป็นตัวอย่าง ท, งาา ท, ท่านสาบพระทุกูปท่านอึ ถ้าไม่สนใจว่าจะเป็นภาพแบบไหนเมื่อท่านต้องต้องเจอพระท่านก็จะกาท่านจะแสดงความเคารพเสมอต่อไปเป็นคำถามจากคุณบีหน้าบีกันหากเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีนิสัยไม่เกรงใจเราหยิบของของเราไปใช้หรือนำของของเราไปขาย เราจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้ใจไม่ยึดติดและอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างเป็นสุขคะให้คิดว่าเป็นของของเขาแล้วกั น, น <S 1> <S 1> ถ้าเป็นของของเราต้องอยู่กับเราใช้ไหถ้าเกไปก็แสดงว่าเป็นของขอ ง, ของเขามันมอนเราเอาของวางไว้หมาทาไปนก็<ข><า>เป็นของม้ากันล่ะ ถ้าอยากจะให้ติดของเราเราก็ต้องล็อกสายกุญแจไว้ต่อไปเป็นคำถามจากคุณอนิจจังทุกขังอนัญตาข้อหนึ่งในการทำบุญให้ทานหรือการสร้างบุญต่างๆหากใจเราไม่รู้สึกดีใจอิ่มใจกับการทำแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกดีอาจจะรู้สึกเฉยเฉย จะว่ารู้สึกเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็อาจไม่ใช่บางทีอาจจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะจิตคิดว่าเราต้องทำบุญเป็นประจำเช่นบางทีได้ใส่บาทพระที่อยู่บนเขาในป่าบางทีก็รู้สึกเฉยเฉยบางทีก็รู้สึกดีและก็มีบางที่สงสัยว่าพระที่เราใส่บาทไปนั้นจะเป็นพระจริงหรือเปล่า เพราะบทให้พรก็ยังสวดผิดอาการภายนอกก็ดูยังไม่สำรวมให้เจริญทําตามมีครูมีครูบาอาจารย์ได้บอกว่าถ้าไม่เต็มใจทำจะไม่ได้บุญแต่ที่ทำประจําบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจคือรู้สึกเฉยๆเป็นกลางๆแต่คิดว่าคือหน้าที่ที่เราต้องทำ และก็ไม่ได้โดนบังคับให้ทำแต่อย่างใดโดยรวมแล้วลักษณะการทำบุญของเราอย่างนี้จะได้บุญเต็มส่วนหรืออยู่ในระดับที่ควรได้รับหรือเปล่าครับคือการทำบุญนี่มันก็มีหลากหลายเหตุผลด้วยกันถ้าเราทำบุญเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นเช่นเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนด้เรา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาเราก็จะเกิดความรู้สึกอิ่ม อ, อกกึ่งใจขึ้นมาแต่ถ้าเราทำบุญเพื่อที่จะทำเป็นหน้าที่มันก็อาจาจะไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเพียงแต่รู้ว่าเป็นหน้าที่ถูกสอนให้ทำถ้าเราอยากจะมีความรู้สึกที่ดีเราก็ต้อง ศึกษาเหตุผลของการกระทําของเราว่าเราทําเพื่ออะไรเช่นเราทําเพื่อละความตันีิละความเห็นแก่ตัวที่เราเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่ดีทําให้จิตใจเราย่ําแย่ถ้าเราทําอย่างนี้ทุกครั้งเราก็จะมีความรู้สึกสมีความสุขใจอิ่มเอิบใจเพราะเรารู้ว่าเราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรา เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยยังเวลาทำทานหรือทำอะไรเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเหตุผลของการกระทาว่าเราทำเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ถ้าไม่รู้บางทีมันไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนพ่อแม่สอนเด็กสอนลูกให้ทำบุญพ่อแม่ก็บอกให้ลูกตักบาตาตักบาถวายของพระมันก็ทำไปแต่มไม่รู้อะไรทาไปตามที่พ่อแม่สอน เพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องการได้รับผลจากการกระทําก็ต้องรู้เหตุรู้ผลของการกระทําจึงจะเป็นจะต้องศึกษาว่าการทําทานนี้ทำเพื่ออะไรทางศาสนาก็มีหลายเหตุผลด้วยกันทำเพื่อละความตันี่ทำพระละความผูกพันกับสิ่งของที่เรามีมีอยู่ยึดติดกับเขาเราหวงไม่อยากให้เขาหมดไป แต่เราต้องยอมรับว่าชีวิตของคนเราเยอะเลยก็ต้องมันก็ต้องพลาดาดจากของต่างๆที่เรามีถ้าเรายึดติดเราก็จะทุกข์มากถ้าเรารู้จักแบ่งปันรู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเวลาจากไปเราก็จะจากอย่างมีความสุขเหมือนกับเวลาที่เราทำบุญแล้วเรามีความสุขทั้งๆที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราสูญเสียเงินทองส่วนหนึ่งไป แทนที่เราจะมีความทุกข์เรากับมีความสุขเพราะเรามีความยินดีเพราะเราอยากจะคลายความผูกพันความยึดติดความหวงในสิ่งที่ในที่สุดเราก็จะต้องจากเข้าไปในสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่ก็คือการทําบุญอีกอย่างก็คือทําเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นหรือทําเพื่อสร้างวิตรบางทีเราอยากจะมีเพื่อนเราก็เอาของ ไปแจกเขาให้เขาพอจากเขาเขาเห็นคุณงามความดีของเราเห็นน้ำใจของเราเขาก็จะชื่นชมยินดีรักเราชอบเราดัางนั้นการให้นี้มันก็มีมีวิธีการหลายวิธีการทางศาสนาก็มีอย่างที่บอกให้ละละตันหาความอยากให้เกิดความเมตตาปรินาตันหาก็คือเวลาที่เราอยากจะใช้เงินไปซื้อของทางความอยาก ซึ่งนไม่ได้ความสุขที่นานแต่กลับจะทําให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นเราก็เอาเงินนี้ไปทํำบุญไปสงเคราะห์ผู้อื่นไปให้ผู้อื่นให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะทําให้เราตัดความอยากที่จะซื้อของต่างๆด้วยเงินทองได้ของที่ไม่จําเป็นเราก็จะทําให้เราเกิดในความเมตตา คือมีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นมีความตา้งใจดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะรักษาสีนได้ถ้าเราไม่ทำทานเราคิดแต่จะเอาแต่ได้เอาแต่ความสุขของตัวเราด้วยการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองตามความอยากของเราเราก็จะไม่มีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นพอเราจะรักษาสีนก็จะรักษาลำบากรักษายาก เพราะเราอยากจะหาเงินมากๆหาเงินเร็วๆหาเงินง่ายๆถ้าคนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่สนใจอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างนหนึ่งนในการทำบุญทางาศาสนาทำทางเพื่อให้ได้ก้าวขึ้นสู่ขันข้นการรักษาศีลน่เเป็นขั้นบันไดไปข้อที่สองในขณะที่เราขับรถยนต์ตามถนนเมื่อเห็นสัตว์ตายมักจะแผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศล เพื่ออุทิศให้กับจิตเจ้าของร่างที่ตายและสับปะสัตว์ต่างๆในขณะขับรถอยู่นั้นอย่างนี้สิ่งที่เราทำจะสำเร็จตามเจตนาของเราหรือไม่และมากน้อยอย่างไรบ้างครับคือการที่เราจะอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่เลี้วงลับไปแล้ ว, ลวนะเราต้องทำบุญก่อนถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไม่มีบุญอุทิศให้เขา ดังเวลาเราขับรถไปเรายังไม่ได้ทําบุญเราเห็นสุนัขตายแล้วเราก็บอกอุทิศบุญเราก็อุทิศด้วยปากแต่ไม่ได้อุทิศด้วยบุญดันั้นการอุทิศบุญนี้เราต้องทําบุญมีบุญก่อนเช่นวันนี้เรามาทําบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ที่เราทํานี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาก็จะได้บุญก็คือความสุขใจอิ่มใจ ตอนที่เราขับรถเราเห็นสุ น, นัขตายมันไม่ได้อิ่มใจสุดใจมันทุกข์ใจเราอุทิศไปเรากโกทิศความทุกข์ใจให้กับมัน <laughs> ข้อที่สามทำไมเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองครับก็ป้องกันเวลาที่เราอยากจะคิดฆ่าตัวตายมัย <c oughs> เราก็ต้องรักตัวเราเหมือนกันเวลาเราทุกข์มากๆนี่เราอาจจะอยากฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ของเราเพราะความทุกข์ของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์ของเราอยู่ที่ใจและผู้ที่ก่อเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ใจก็คือความอยากต่างๆนี่เองฉันอยากได้อะไรก็ไม่ได้กำใจก็เสีย อ, อกเสือใจก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายตายตความทุกข์ใจมันก็ไม่ได้หมดไป เวลากลับมาเกิดใหม่มาเจอปัญหาแบบเดิมก็จะฆ่าตัวตายก็จะเป็นการอแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเป็นเป็นวงจรอุบาทนั่นบอกว่าฆ่าตัวตายแล้วก็จะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อชาติเพราะมันจะเป็นวิธีที่เราทําขนัดเนี่ยเราเคยถนั ด, นนกนดแก้ปัญหาอย่างไรเราก็จะแก้อย่างนั้นนั้นโอกาสที่จะได้กลับ กลับไปเกิดกลับมาเกิดแล้วปฏิบัติทาให้บรรลุนีมั็จะยาเพราะเวลาเจอความทุกข์เจอความยากเจอความเสียใจก็จะฆ่าตัวตายแทนที่จะใช้ธรรมะมาข่มใจใช้ปัญญามาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนมีได้มีเสียเป็นธรรมดาถ้ามีธรรมะสอนใจมันก็จะยามรับกับผ่าน สูญเสียได้รับความผิดหวังได้มันก็จะไม่ต้องฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายนี่มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเป็ น, ปนการต่อปัญหาให้ยาวไปเรื่อยๆภพชาติก็จะยาวไปแล้วก็เป็นภพชาติที่ไม่ดีเพราะการฆ่าตัวตายก็เป็นบาปก็ต้องไปตกนรกค่ะคําถามเหลืออีกตั้ง้าข้อค่ะหลวงพ่อไว้พวกนี้ได้ไหมคะ าโอเคเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะเย็นมานะสี่นมงแล้วท่านอาจจะอยากต้องไปคุณหมอขออนุาถามว่าคำนไม่ไม่ไม่ไมมาหักอกคุณมอ้น้ำหรอกคุม อ, อ, อ, อ, อ, อ, อชอบมีคำตอบมากกว่าเห <c oughs> ็นอวันนี้เอาเอาแข่งดีกัน <c oughs> ก็ขอยุติาการแสดง <c oughs> ในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้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 เปี่ยนตัวแลครับเพราะมันจะไม่มันไม่เหมือนกับตอนที่รู้จักกันออยู่ด้กันถามแน่ยแ่เมันมันมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันแบบคืนไม่เข้าใจไม่ออกหวนองขมคืนชีวิตคู่เป็นอย่างนี้มันไม่หวานไม่อย่างเดียวมันต้องมีความขมขืนตลอดกันไป แตาใจแต่ละคนไม่เหมือนกันในในแต่ละเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเราอยากจะอยู่บ้านแล้วอยากจับข้างนอกบ้านก็ลำบากเราขาดใาตลอดบางทีเราอยากจะกลับบ้านเพราไม่อยากตากก็ลำบากต้องหัดทําใจต้องเอาใจเขาใส่ใจเราห้าสิบห้าสิบถ้าอย่าใจเราอย่างเดียวก็จะเดือดร้อนการกางอยู่คนสองคนนี้ต้อง ต้องแบ่งใจให้ต่อกันแล้วกันใ้เขาบ้างเขาให้เราบ้างอะไรถ้าจะเอาอย่างเดียวเข้ามาเนี้ยเขจะมาตัวเราทำไมท้ไม ม uh evet. anyway. so ่่าแนมีแฟนมีแนมีแฟนมีแนมีแฟนมีแฟนมีนมีแฟนมีแนแฟนมีนมีแฟนมีแฟนแตนมีนมี้ฟนมีแฟนมีแฟนงกแฟนมีแฟนมีแฟนมีแฟนมีแฟนมีแฟนมีแนมีแฟนมีแฟนมีแฟนมัแฟนมีแฟนมีแฟัมีแฟนมีแ เรออออา<ช>ต้องขึ้นเขาอยู่เราก็จะต้องทุกอย่างแบบนี้ไเราจะไม่สามารถที่จะไปจับให้เขาเป็นกามที่เราต้องการได้ใช่ไหมต้องหลายคนเ พ, พิงงนะ่มลูกยังไน่ยังลนะูกยังไล่ยังอนั่นแหละก็เย็นไปก็อยู่ไปเพียงแต่ออว่าเราอย่าไปหวังอะไรน า, ายถนัจะทนั้น พอเราไม่สามารถที่จะไปสั่งในควบคุมให้เป็นไปตามความต้องใจของเราได้อย่างก็ได้ยินดีตามมีตามเกิดเราต้องรักษาใจเราก่อนนี่เราไปร <c oughs> uh ักษาอะไรอย่ปัญหาคือเราไม่สบายใจความไม่สบายใจของเราเกิดจากทางอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราไม่ได้ดังใจเนี่ยเราก็องถูกถ้าเราคิดว่าทำไปตามมีการเกิดการดินตามกรรมเนี้ยอะไรจะเกิดก็ถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยทิ้ไปมาทําใจให้สงบแล้วใจเราจะรับได้ตอนนี้ใจเราไม่สงบเลยรับไม่ได้แล้วใจเรายังเราอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อยู่ เราฝึกไาว้พระสวดมนต์มนั่งสมาธิทําใจให้สงบเข้าใจสม่ำล่องพยายามต่างๆพยายามมังงับแต่ครับเราไมนจะรู้สว่าเราต้ออยู่ได้นะเรามีที้ขึ้นพยายามหาเวลานั่งสมาธิหายายสวดหนต์ไหว้พระพุทธรูปโตอย่างที่สอนอันนี้ถ้าทําตามได้แล้วต่อไปสภาพจิตใจจะดีขึ้นไป จิตใจจะว่างจะเย็นกระสบายแล้วจะรู้สึกว่าเราติีตรงไปก่อนใช่เราเราความความต้องการของเรามันมากเกินไปจริงเราไม่ต้องมีอะไรมากมายเราก็อยู่ได้ขอให้เรามีปัจจัยสีก็อยู่กันได้แล้วมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่ยังอื่นทังหัวมันเาอาชีวิตให้รอด ก, ก่อน ลูกไม่มีเรียนสองโรงเรียนก็สอนกันที่บ้านก็ได้เรียนันที่บ้านก็ได้เรียนโรงเรียนวัดกณะไม่สำคัญหรอกจะเรียนที่ไหนดีกว่าไม่ได้เรียนไม่มีเสื้อผ้าสวยๆง า, งงานใสก็ไม่เป็นไรมีของเก่าก็ใสลงไปเราอกลับมาที่เบสิกก่อนมาที่พื้นฐานของชีวิตก่อนก็คือรักษาชีวิตของเราด้วยปัจจัยสี ขอให้มีปัจจัยสี่นั้นพอแล้วอย่างอื่นช่างหัวมันเอจะมีหน้ามีตาไม่มีหน้ามีตามีรถไม่มีรถมีอะไรไม่มีช่างหัวมันไม่ตายไม่ตายถ้ามีปัจจัยสี่แล้วไม่ตายกลัมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับตอนที่เราเกิดใหม่ตอนนี้เราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรก็รอาศัยพ่อแม่เลี้ยงนอาด้วยองปัจจัยสี่พอเราโตขึ้นเราเริ่มมีปัญญาก็ค่อยหานี่หานี่ ตอนนี้เราก็กลับมาจุดเรื่องต้นของเราใหมากลับมาดูแลรักษาอัตถะชีวิตของเราแล้วก็แล้วค่อยๆขยับไปพอเรามีกำลังมังชาแหาเงินหนาทางได้เราอยากจะซื้ออะไรทำอะไรก็ค่อยทำไปแต่อย่าปล่อยให้ใจคิดไปทางให้ไม่ดีมันจะเำื่อเราหมดกำลังใจมีอยางหัท่องพุโทโธพุโทโธไว้อยู่ความคิดแบบนี้ไปทั่วข่า ใ, ใจเยน็นใจสงบเราจะคิดึไปในทางที่ดีดีได้เพราะชีวิตมันไม่มันไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นเราคิดไปเองขอทานมันทำไมอยู่ได้คนรู้หนวกตาบอดทําไมเขาอยู่ได้คนแขฉงดาวช้าขาดทำไมเขาอยู่ได้เพราะเขาเขายอมรับกับสภาพของเขาแล้วเขาเขาก็อยู่ไปตามกําลังของเขาก็อยู่ตางฐาขนะ ข, ของเขา เราก็ต้องดูฐานะของเราเราอย่าไปมองฐานะของคนอื่ น, นหนือฐานะของเราในอนดีตที่ผ่านมาเมื่อมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเองปัจจุบันปัจจุบันมันเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีที่อยู่กับมันก็คือหัดทำใจอย่าไปคิดมันกับททำใจให้สงบสวดมนต์ไปก็ได้พุโทโธพุทโธไปก็ได้แล้วใจพอว่างแล้วจะจะมีความสบายใจขึ้นมาเอง มีสต okay. hmm. okay. ิแล้วนี่เองขาดสติไม่มีสตินีกแล้วถ้าคิดมากๆเราก็จะทำให้เราเป็นบ้าได้เออ็อบคุอุจิใยาหลังอาปัจจอเออไม่มองในแง่ที่ดีว่าเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกับคนที่เขมีทุกอย่างแต่กับในโลกมะเร็งอย่างนี้ี่ยงกายจะดีกว่า คนหนึ่งก็จะมีสามีมที่ดีมีเรื่องที่ดีมีงับมีทรัพมีอะไรแต่เขาเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยกับเราเราไม่มีอะไรก็ตามแต่เรามีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีอันไหนจะดีกว่ากันใช่ไ้ยให้มองในส่วนที่ดีที่เรายัางมีอยู่เราพยายามรักษามันไว้อย่าไปทํำลายมัน ควาอยากเมื่อเรามันหลอกให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดีอย่าไปเอาแพ้ชนะถ้ายอมแพ้ของยอมลดดักราเราจะเย็นถ้าเราจะอาชนะเขาใจาเราจะร้อนและยิ่งเราชนะของไม่ได้อะไรยิ่งร้อนเนี่ยแต่ถ้าเรายอมแพ้แล้วเราเย็นเลยยอมแพท้ที่เราเราเราได้แ น, น่แน่แต่ชนะนี่มันไม่แน่บางทีก็ชนะบางทีก็ไม่ชนะ แต่ถ้ายอมแพ้นี่ยอมแพ้วตอนเดี๋ยวนี้ก็ได้ทันทีเลยได้สมหวังเลยเพราะสมหวังใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดฉันแพ้แล้วฉันยอมแล้วฉันสบายใจนะ